พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ยีสิสองอคิวัชโคตสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตปริพาชกผู้ฟังข้อเปรียบเทียบเรื่องไฟพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามวัชโคตบริพาชกเข้าไปเฝ้าทูลถามถึงทิฏฐิสิบมีโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้น ว่าทรงเห็นอย่างนั้นหรือไม่ตรัสตอบปฏิเสธว่าไม่ได้ทรงเห็นอย่างนั้นวัชโคตบริภาชกจึงทูลถามว่าทรงเห็นโทษอะไรจึงไม่ทรงเข้าไปติดทิฏฐิเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงตรัสตอบว่าเป็นเหมือนป่าเหมือนเครื่องผูกมัดเป็นต้นซึ่งก่อทุกข์ให้ทั้งไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำนัด เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานตถาคตนำออกซึ่งคำว่าทิฏฐิเพราะตะถาคตเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของขันห้ามีรูปเป็นต้นจึงหลุดพ้นอย่างไม่ถือมัน่นเพราะสิ้นความยึดถือสิ้นความคิดว่าเราความคิดของเราและกิเลสประเภทแฝงตัวคือความถือตัวเพราะคลายกำหนัดดับได้สละได้ สลัดได้ซึ่งกิเลสเหล่านั้นวัชโคตบาริพาชกทูลถามเป็นข้อๆว่าหนึ่งภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้จะเกิดในที่ไหนตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าเกิด 2. ถ้าอย่างนั้นไม่เกิดใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าไม่เกิด สถ้าอย่างนั้นเกิดด้วยไม่เกิดด้วยใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีคาว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วยสี่ถ้าอย่างนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่หรือไม่ตรัสตอบปฏิเสธอีกเมื่อทูลถามถึงเหตุผลที่ตรัสตอบปฏิเสธ และแสดงความรู้สึกว่าครั้งแรกก็เลื่อมใสแต่บัดนี้หมดความเลื่อมใสเสียแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธรรมะนี้ลึกซึง้งยากที่ท่านผู้มีความเห็นอย่างอื่นมีความพอใจอย่างอื่นมีความเพียรทางอื่นมีอาจารย์อื่นจะรู้ได้เราจะขอถามให้ท่านตอบคือหนึ่ง ถ้าไฟลุกโคลงอยู่เบื้องหน้าท่านท่านรู้หรือไม่ทูลตอบว่ารู้สองไฟลุกโลงเพราะอาศัยอะไรทูลตอบว่าเพราะอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้สถ้าไฟดับเบื้องหน้าท่านท่านรู้หรือไม่ทูลตอบว่ารู้สไฟไปทางทิศไหน ทูนตอบว่าไม่มีคำตอบเพราะไปนั้นลูกโล่ขึ้นเพราะอาศัยเชื้อเพราะหมดเชื้อและไม่เติมเชื้ออื่นอีกก็ไม่มีอาหารนับได้ว่าดับแล้วจึงตรัสว่าตถาคตก็ฉันนั้นละขันห้าทำไม่ให้มีการเกิดอีกแล้วก็พ้นจากการนับว่าเป็นขันห้าเป็นผู้ลึกซึ้งนับไม่ได้ อย่างไม่ได้เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่มีคำว่าเกิดหรือไม่เกิดเป็นต้นวจโคตปริพาชกกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่ามีกันสารและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต